ใจพอมันไม่ดิ้นรนไม่ปรุงต่อนะเนี่ยเข้าถึงความสงบสุขถ้ากําลังพอมันก็เกิดมากเกิดผลกําลังยังไม่พอนะมันก็ความสุขของมันอยู่ในตัวของมันเองในการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องลําบากลําบากไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแล้วถึงจะมีความสุขไม่ใช่เงั้นหรอกแค่เรามีสติขึ้นมานะ แล้วก็มีความสุข ใ, ใจเราเป็นกลางขึ้นมาเราก็มีความสุขมีความสุขกับกันเยอะเลยกานเข้าถึงมรรคผลนิพพานมีความสุขเป็นลําดับลําดับไปได้โสดาก็าไม่สุขเท่าไหร่มันแค่รู้สึกปลอดภัยจิตใจก็ถูกเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหมือนปุถุชนค่อยฝึกไปฝึกไปมันก็ค่ย้ยใจเราถอดถอนตัวเองออกจากโลกมากขึ้นมากขึ้นนะมีความสุข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 คามจริงก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงทั้งหมดเลยเราไปอยากได้สิ่งที่มันไม่เที่ยงลนี่มันก็ได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็เสียไปภาวนาช่วงนี้รู้สึกดีช่วงหนึ่งแย่อีกละพอช่วงไหนดีก็ดีใจช่วงไหนแย่ลงเสื่อมลงก็ว่าไม่ดีรุ่มใจนี่พอมันเห็นจเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมซ้ําแล้วซ้ำอีกวัาหนึ่งปัญญาไม่ค่อยเกิดเห็นเลยมันเริ่มบังคับไม่ได้นะ ทำอะไรไม่ได้ซะกันเดียวเงั้นพอสภาวะเกิดแล้วใจเป็นกลางใจไม่ดิน้นตรงที่ใจเป็นกลางตรงนี้สําคัญมากเลยเป็นกลางเพราะมีปัญญาเรียกว่าสังขารู้เบกขาญาณมีปัญญาเป็นกลางต่อสังขารเพราะรู้ว่าสังขา น, นั้นเป็นไตรลักษณ์ความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์สุขทุกข์กุศลอกุศลเป็นไตรลักษณ์เป็นกลางไม่ดิน้นใจไม่ดิน้นใจเข้าถึงสันติสุขนะ ประตูของมรรคนิพพานอยู่ตรงที่ใจเราเมื่อรู้อารมณ์แล้วไม่ดิ้นนี่แหละการปฏิบัติในส่วนของโลกียะมีปััสนาในส่วนของโลกียะไปจบลงตรงที่ใจมีปัญญาเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงเห็นแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเอาไว้ไม่ได้สักอันเดียวเห็นจนใจเลิกดิ้นนะถ้าใจเลิกดิ้นจริงๆ น, นมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็น เดี๋ยวคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นจริงๆอย่างแท้จริงนะเกิดตรงนี้สักว่ารู้ว่าเห็นเพราะปัญญาพอใจมันไม่ปลุงไม่ทํางานต่อใจจะรวมเข้ามารวมข้อปรนนาสมาธิรวมเองไม่ต้องเจตนารวมนะแล้วมันจะเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้นใจรวมมาแล้วมันยังเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอีกสองสามขณะบางคนเห็นสองบางคนเห็นสาม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 ทวนเข้ามาจนถึงธาตุรู้สิ่งที่ห่อพุ้มปกคลุมอยู่ก็ถูกแหวกถูกทาลายออกจิตใจก็เป็นอิสระขึ้นมาสองขณะบ้างสามขณะบ้างแล้วแต่ละคนไม่เท่ากันเสร็จแล้วมันก็จําไม่ได้นะมันจไม่ได้ไม่แม่นหรอกจํานิพพานได้ไม่แม่นถ้าจิตถอยออกมาเนี่ยมันพิจารณาทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึน้นรู้เลยว่าตัวตนจริงๆไม่มีตัวเราไม่มี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 จะรวมเข้ามาอยู่โลกภายหนรวมเข้ามาเรียนรู้อยู่ที่จิตที่ใจรู้แจ้งจิตจริงๆปล่อยวางจิตจริงๆนยถึงจะพ้นทุกข์จริงๆเส้นทางเดินที่พระเจ้าให้ไว้นะดีมากเลยฝึกฝนตามไปตามไปรู้เรียนรู้ไปเรื่อยนะตามรู้ไปเรื่อยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจรู้ไปเขาหมดความดิ้นรนเขาหมดความปรุงแต่งเขาก็เข้าถึงธรรม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 แล้วใจเราดิ้นไปเรื่อยลวงพ่เทียนเทียบดีนะบอกคล้ายๆเราอยู่ในห้องมืดนะไม่รู้ว่าประตูอยู่ไหนคลําไปเรื่อยคลําไปวันหนึ่งไปโดนสลักของประตูก็เปิดแต่เกิดจริงมันไม่ได้ยะถากรรมขนาด น, นั้นหรอกถ้ารู้สิ่งที่พระเจ้าสอนนะเรียนให้แม่นรู้กายรู้ใจจนเห็นมันเป็นไตลรลักขีบดดันอยู่ตรงนี้รู้ทุกอย่างคือรู้กายรู้ใจตามที่เขาเปิดรู้แล้วไม่เติมแต่งอะไรลงไป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 รุงกูสนกูสนไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลสนใจสิ่งที่ควรจะตามรู้ตามดูไปเพียงแค่ตามรู้ตามดูมันไปเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันทํางานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นอย่างนี้อย่าไปช่วยมันทํางานเช่นจิตเกิดราคาขึ้นมาก็ไปทํางานไปช่วยมันราคาไม่ดีเริ่มให้ค่าราคาไม่ดีหาทางแก้ไขไม่ให้ราคาเกิดพิจารณาสุภาพอะไรองี้ เน้อได้สมถะนะก็ดีเหมือนกันแต่ดีแบบสมถะถ้าดีแบบวิปัสสนาก็คือเห็นจิตมันปรุงราคะมันปรุงของมันเองนะเราไม่ได้ช่วยมันปรุงราคะบทจะมาราคะก็มาราคะบทจะไปราคะก็ไปใ น, นจิตปรุงโทสะขึ้นมาพวกเราไม่ชอบมันมาหาทางแก้ไขเช่นพุโทโธพุโทโธโกรธนอโกรธนออะไรขึ้นมาหรือเจริญเมตตาแก้มแก้เป็นคราวลเพราะเราไม่ชอบโทสะ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 อยากได้เมผลนที่พานรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจจงเห็นเลยมันไม่ใช่เรามันทํางานได้เองเมื่อไหร่เห็นว่าขันห้ากายใจไม่ใช่เราเนี่ยแหละพระโสดาบันอะได้โสดาแล้วยังไงก็ต้องไปถึงพระอรหันต์เข้าสักวันหนึ่งนนจุดแรกเลยนะสําคัญมากเลต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ชีวิตนี้ยังต่ําต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้เพราะเราได้เจอศาสนาพุทธแล้ว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 ทานสอนสมาธินะพอจิตใจเราสงบเช่นเราพุโทโธหรือหายใจจิตใจสงบแล้วมักจะขี้เกียจขี้คล้านเพราะมีความสุขท่านจะไล่ให้ออกมาพิจารณากายหรือออกมาเจริญสติข้างนอกเนี่ยคนที่ติดในความสุขความสงบพอต้องออกมาทํางานนี่ไม่ชอบนะมันเหนื่อยเหนื่อยมันคล้ายๆเรานอนมานานแล้วเลยขี้เกียจออกจากบ้าน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 หลายๆวันมันมองได้อีกเราแยกคายแล้วก็ดูไม่ใช่ของจริงหรอกอยังเสื่อมหนึ่งเป็นของเสื่อมไม่ใช่ของจริงเสียดายไหเสียดายไหมเสียดายแต่ต้องทิ้ง่อไม่ใช่ของจริงมาเริ่มต้นใหม่ทําความสงบขึ้นมามารู้กายมารู้ใจเอาใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งเลยทํำไปเรื่อยทาไปทาไปนึกว่าดีอีกแล้วดูไปหลายวันไม่ใช่อีกแล้วใช่เริ่มต้นใหม่ นับหนึ่งูเรื่อยๆนะการปฏิบัติกว่าจะสบายมันก็ร่มลุกลุกคลานทุกคนเลยนี่ถ้าเราท้อแท้ถอดใจเรารู้สึกแค่นี้สบายแล้วยังจหน่องนะเอาใจไปไว้ข้างหน้าชาตินี้สบายแล้วชาติหน้าก็ยังสบายอีกก็อยู่พรหมโลกแต่ว่าวันหนึ่งก็ไม่พ้นกลับมาอีกเนี่ยต้องแยบขายนะแล้วต้องใจถึงถ้าไม่ใช่ของจริงก็อย่าไปห่วงนึง ดูมีอาคัรตุกกะรู้สึกไหมใจของพวกเราขยับไปหมดแล้วรู้สึกไหมขยับขยืน่นให้รู้นะไม่ใช่ไปเพ่งให้นิ่งแต่มันขยับขยื่นเคลื่อนไหวคอยรู้เอาคอยเห็นไปเลยมันทำงานของมันได้เองขยับขยื่นนินมนต์ครับท่านอาจารย์มันเขาอากาดเขาอากาศพุกยมงกัน จันวิวัฒผสมท่านเขียนหนังสือเยอะนะนี่อา้าใครรู้สึกดีใจบ้าง <c oughs> ใครรู้เอานะรูเ้เห็นไหมส่วนใหญ่ในห้องลืมตัวเองไปแล้วใจไปอยู่กับจารย์วิวัฒแล้วรู้สึกไหมเรื่องหัดรู้อย่างนี้นะใจมันหนีเห็นไหมมันทํางานของมันไม่ได้ฝึกไม่ให้หนีนะไม่ได้ฝึกให้หนไม่ให้หนีแต่ความหนีไปแล้วรู้ไว จิตใจนี้มีธรรมชาติที่พิกลอยู่อย่างชอบหนีไปเที่ยวแล้วไม่ได้หนีธรรมดานะหนีไปเอาขยะเข้าบ้าน mm. หนีไปเก็บขยะเข้าบ้านนะอยู่ดีไม่ว่าดีนะบางที <c oughs> อ้อนเป็นไงอ้นมันเฉยครับอะไรนะดูมันเฉยเฉยงไงไม่สัมันติดเฉยนิดหนึ่งนะมันตรึงให้นิ่ง <c oughs> มีการตรึงให้นิ่งขึ้นแล <c oughs> ้วตอนหน้านี้มันปล่อยนะมันเป็นอิสระ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 ตอนี้ ใ, ใจซึมเยอะไปนิดนึงมันมาวัดแล้วมันสบายครับไม่เอาอย่าไปอยู่กับมันนานๆนนนนเดี๋ยวซึมคือในเวลาที่เราเจริญสติไปเรื่อยๆนะคือเห็นโลกทานนี้น่าเบื่อสุขก็น่าเบื่อนะทุกก็น่าเบื่อกุศลอะกุศล น, น่าเบื่อหมดเลยใใจก็นิ่งๆขึ้นมาฝันใจนิ่งๆโดยนี้อย่าปล่อยให้ซึมทําความรู้สึกไปเรื่อยๆเบื่อแล้วมันไม่ใช่ซึม เบื่อแล้วมันต้องมีความสุขเบื่อแล้วมันเหมือนมันมีช่วงหนึ่งมันพยายามมันเบื่อจนทนไม่ได้อะเบื่อจนจนต้องหนีต้องลองแยกแยกความเบื่อต่อไปความเบื่อกับจิตเนี่ยโคละอนกันไปดูไปดูไ ป, ไปไง่ายพอความเบื่อกับจิตโคละอันนะจิตจะ ถ, ถอดถอนออกมาความเบื่อก็กระเด็นออกไปอยู่ข้างนอกมันได้แวบเดียวครับออแล้วทีละแวบนะเนี่ซ้ำไปอย่างเงี้ยดูไปเรื่อย จะไปเราจะเห็นเลยเราบังคับจิตไม่ได้จิตใจเองก็เป็นของบังคับไม่ได้มัน ก, กระฟามเบื่อกระเด็นออกไปแวบหนึ่งเดี๋ยวเข้าใหมา่ละไล่ก็ไม่ไปนะบังคับไม่ได้มันเหมือนคือถ้ามันจะไปมันจิตมันต้องมีกําลังก็งไม่ไล่ไ ม, ไมันเราจะดูเพื่อให้เห็นว่ามันทํางานได้เองดูไปเรื่อยเส็จละใจมันจะสงบลงมาตั้งมั่นนะเป็นกลางเป็นกลางแบบมีความสุข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 มีหลงไปคิดบ้างนิดหน่อยนะครับดูสบายๆนะเฉลิมพลดูแบบสบายๆ บ, บางครั้งเราเหมือนเราไปตะลุมบอลกับโลกมากที่มันบอบช้ำกลับมาบอบช้ำกลับมาเนี่ยเป็นวิบากต้องใช้เวลาค่อยๆรู้ค่อยๆดูค่อยๆคลายออกค่อยสบายขึ้นเวลาเราไปตะลุมบอลกับโลกคนทำงานหนักคิดมากอะไรอย่างเงี้ย จิตใจมันก็จะนุ่มๆหน่อยแต่พาเรารู้เราเห็นไปเรื่อยมันค่อยคลายออกแล้ค่อยสบายขึ้นมาดีแล้วคุณเฉลิมพงจิตใจดีละดีขึ้นละตั้งมั่นขึ้นมานะอ่ะช่วยส่งไมไปไหนก็ได้ไปสุ่มมาก็แล้วกันนะได้ไม่หมดทุกคนหรอกเขาอากาศหลวงพ่อครับผมรู้สึกจิตใจมันเห็นนีใจมันเป็นเลยนะ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 ทํางานไปด้ถ้าเราเข้าใจนะก็คือมันแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลาอย่างตอนเนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมครับนี่วูบเดียวครับอืเนี่ยก็แค่รู้นะไม่ห้ามหรอกไม่ห้ามปล่อยให้เขาทางานไปแล้วตามรู้ตามดูไปได้ใช้ได้อยู่นะที่ทําอถ้าใช้ได้นี่ผมไปอืมออยากอไปเข้าโรงเรียนเลยได้ไหมครับอะไรนะ ขอไปเข้าโรงเรียนได้ไหมครับโรงเรียนที่ไหนอเอยโรงเรียนแถววัดครับอเป็นยังไงจะไปบวชเหรอครับผมจะบวชแบบมีกําหนดหรือเปล่าไม่ครับไม่กําหนดศึกใช่ไหมเดี๋ยงงงงงคงไม่ศึกครับรออีกนิดหนึง่งรออีกไหนรออีกนิดหนึง่งอ๋อได้ครับให้มันสบายกว่านี้หน่อย ให้มสบายกว่านี้ก่อนคือภาวนาให้มันคล่องแคล่วไปบวชแล้วลําบากนะเคยบวชแล้วครับเคยบวชมารอบหนึ่งครับลําบากมันมีหลายอย่างนะทีไปติดสมถะง่ายๆวัดที่ไปนี้ท่านท่านให้ออกแรงเยอะอยู่ครับค ง, งไม่ติดสมถะเหรอจะไปออกไหนล่ะจะไปบวชวัดไหนวัดที่เกาะสีชังครับวัดถ้ำใจปิกนี่ครับ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 แล้วสนุกให้นานก็แล้วกันนะสนุกเดี๋ย ว, ว <ๆ S 2> เลิวสนุคมันก็วูบๆขับรถอยู่ยนี่ก็สนุกว่างว่างก็สนุกคิดแล้วก็สนุกตามตามไปเรื่อยครับเ อ, อเามรู้เห็นปุ๊บเราก็สนุกเอ๊ะจะไปตรงไหนต่ออะไรเงี้ยว่าขึ้นแล้วก็มีคิดอย่างอื่นอีกคิดคิดต่อไปเรื่อยครับแต่แต่ถ้าเกิดหยุดที่จะจะให้เขาหยุดอะครับหยุดคิดเราก็จะแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยครับแล้วพยายามบังคับเมื่อไหร่ก็จะแน่นเมื่อนั้นอะก็เลยตามไปเรื่อยๆตามดูไปเรื่อยๆไม่เครียดหอก ตามดูไปเรื่อยๆดีแล้วครับอ่ะไปว่างไงว่างไงตกลงอ ย, าอย่าบวชก็ลองดูดินะลังเดืนครับแต่ <ๆ S 1> เวลาบวชนะหลวงพ่อแนะนํานิดนึงเวลาบวชเนี่ยอย่าคิดนะว่าเราจะไปเร่งปฏิบัติได้ง่ายๆหลวงพ่อตอนบวชนะวันที่บวชนะมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นปลาตัวโตๆนะแตถูกเลี้ยงไว้ในที่แคบๆตั้งนานแล้ว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 มองไปนอกวัดตอนนั้นอยู่เมืองกาญเห็นภูเขาสามลูกภูเขามันเรียงกันสามลูกสวยเชีเยวดูไปภูเขาตั้งสามลูกเนี่ยไม่มีน้ําหนักใจเรามีน้ําหนักเนที่คุณรู้สึกมันมีน้ําหนักอพอเราเร่งความเพียรนะรู้เลยเออนี่ไม่ใช่ละทําผิดละไปลากเก้าอี้มาตัวหนึ่งแล้วมานั่งดูไม่เดินเหมือนละนั่งดูเหมือนละทางใครทางมัน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 หลวงก<ล>่อนป็าบัชคําเรื่องนี้แหละพูดตรงๆคือพอไปบวชเดี๋ยวจะไปบังคับมากกว่าเก่าระวังตรงนี้มีครูบาอาจารย์คอยเบรกไม่หยุดเออมีอาจารย์ดูให้ก็ดีทนติดสมถานะนะการบวชนี่ค่อนข้างมีปัญหาเ <c oughs> พราะมีเวลาเยอะเดี๋ยวจะเพ่งเยอะแต่ถ้าเรารู้ทันว่าเพ่งอยู่ก็ไม่เป็นไรจะค่อยคลายออกได้อ่ะไปส่งตอไปได้เวลาอีกนิดนึง ได้อสองสามคนเองใครจะคุยเชิญมีไหมยกมือเลยเส่งไปเลยส่งไปอตอนนั่งสมาธิครับหลวงพ่อแล้วก็บริกรรมพุทโธไปทีนี้มันจะเห็นว่าขณะที่เราบริกรรมอยู่สักพักหนึ่งใจมันก็จะไหลไปคิดเรื่องอื่นโดยที่เราจะลืมพุทโธไปเลยใช่ใชแล้วพอสักพักเราก็นึกขึ้นได้ก็กลับมาต่ อ, อทีนี้มันมีอีกแบบหนึ่งก็คือเรารู้สึกเหมือนว่า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 หนักๆแน่แนๆแข็งๆ ข, ของคุณยังติดความแข็งอยู่นิดนึงยังบังคับตัวเองอยู่ดูออกไหมตอนที่เรารู้ว่าเราเราคิดว่าเรารู้เนี่ยคะ่ะตอนที่เราเราทราบตอนนั้นทันทีเนี่ยเราควรทำยังไงคะไม่ทำอะไรนะถ้าอยากจะแ ก, แก้ไขมันรู้ว่าอยากแก้ไขรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ได้ทำอะไรหรอกรู้อย่างที่เป็น่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 ทำเพื่ออะไรทำอย่างไรก็ต้องรู้อีกนะทำอย่างไรก็คือสมถะเนี่ยน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องทวิปัสนานะให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่เผลอไปไม่บังคับแทบกแสงไว้นี่ทำอย่างไรนี่ระหว่างที่ทำไม่หลงไม่เผลอไปทำอันอื่นซะเช่นเราจะทำสมถะเราก็ไม่หลงไปคิดเรื่องอื่นลืมเนื้อลืมตัวไปตกจากสมถะ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 สัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาใช่อะไรนะิยมนิยมเปิดใหม่ที่เปิดใหม่เราเสัมปชัญญะนี่เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นปัญญาด้วยใช่ไหมครับเป็นปัญญาใช่เป็นแบบเดียวกับจิจตจนตนาปัญญาใช่ไหมครับเรียกว่าอะไรนะตัมมาจิตนตนาปัญญาความ เ, เป็นความรู้อ๋อจินตามิยะปัญญาครับ กินตามไปย่่าปัญญาใช่ระดับนั้นเป็นการตรวจสอบตัวเองอเพื่อให้เดินได้ถูกเส้นพอภาวนาไปนี่เราต้องมีปัญญากากับเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในรูในทางของการทำมิปัสสนาอยู่อย่างหลายคนภาวนานะเช่นบางคนไปดูท้องผ่องยุบงนี้ดูท้องผ่องยุไปแล้วจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องเนี่ยถ้ามีสัมปชัญญะ เขาก็จะฉลาดแยบคายขึ้นมามนี่ไปเพ่งแล้วนี่เป็นการไปเพ่งอารมณ์แล้ไม่ใช่การรู้รูปนามตามความเป็นจริงแล้วพอรู้ทันอย่างนี้มันก็จะกลับมารู้รูปนามใหม่มันจะเป็นตัวเป็นตัวกํากับเส้นไม่ให้เราเดินออกนอกลกูนอกทางตัวนี้ตัวสําคัญนะสัมปชัญญะนี่พอมีสติมีสัมปชัญญะกํากับในการเจริญสติรู้รูปรูป้รรนามไปเรื่อยแต่ไปปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญาจะเกิดขึ้นคือเห็นความจริงของกายของใจ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 มีสติแล้วก็มีใจที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญาก็จะเกิดเป็นลําดับลาดับไปอย่างตอนนี้โยมฟังอาตมาพูดฟังเราคิด ร, รู้สึก้ไหมคิดอยู่ครับอ่คิดอยู่เนี่ยตรงที่เราไปคิดเนี่ยสังเกตไ้ยตรงที่ฟังอาตมาพูดแล้วรู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่รู้เพราะการฟังนะแต่รู้เพราะการคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้มาด้วยการฟังครูบาอาจารย์พูดเนี่ย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 ใจใไม่ใช่ของยากอะไรหรอกมั <sector. S 2> นจะจะติดในตัวภาษามากกว่าครับใช่ใช่ภาษาบ า, าบบลีพระอ่านเราจะติดภาษามากไม่ไม่ไม่เอาภาษาเลยก็ได้พูดภาษาไทยเลยนะรู้จักเผลอไหมรู้ครับใจลอยไปอะไรอรู้จักเพ่งไหมรู้ครับงั้นถ้าเริมเมื่อไหร่ไม่เผลอไม่เพ่งนะเมืเ่ อ, อนั้นก็รู้สึกตัวแหละใจของเราเผลอทั้งวันเผลอไปคิดๆๆคิดคิดขณะที่เราไปคิดเนี่ยเราก็ลืมกายลืมใจ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 อาจจะเป็นเพราะว่าผมมีไม่ได้มีสมาธิฏิคือยังเข้าใจว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้ายัางต้องมาจากการฟังการต้องฟังก่อน่อานต้ององ่านดูต้องฟังก่อนเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในสาวกภูมิเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องฟังต้องอ่านนะเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติแม้ในสมัยพุทธกาลเองคนที่ไปเรียนกับพระพุทธเจ้าก็าไปฟัง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 อีกชื่อหนึ่งชื่อวิสังขารสิ้นความปรุงแต่งสัง เ, เกตไหมใจเรามีความอยากอ ย, กอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากรู้เรื่องเดี๋ยวอยากโนวนอยากนี้เนี่ยตัวนี้กั้นเราไว้ถ้าใจเราหมดความอยากนะเดี๋ยวเราจะเข้าใจนิพพานแล้วใจของเราพอมีความอยากขึ้นมามันก็ดิ้นรนดิ้นทางานไปเรื่อยทำปรุงดีปรุงชั่วไปเรื่อยเพราะว่ามันปรุงไปมันหวังจะมีความสุขก็ปรุงไปเรื่อย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 ถ้าร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราแล้วอะไรอะคะคือเราที่บอกว่าเชื่อมอดีตชาติความประจุปันอนาคตความคิดความจำนีความความคิดความจำอะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างความเป็นเราจริงๆไม่มีพระเจ้าไม่ได้สอนให้ละความเป็นตัวตนท่านสอนให้ละความเห็นผิดว่ามีตัวตนความเห็นผิดว่ามีตัวตนเรียกว่าสักยทิทิ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 ถ, ถ้ามีสติ น, นะจะมีศีลสมาธิปัญญาถ้าขาดสติก็าขาดศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติเนี่ยแต่ละคนที่เข้าถึงทำนะจะต้องเข้าถึงด้วยปัญญาและสมาธิด้วยกันทุกคนแหละแต่การปฏิบัติเนี่ยพระนนเคยแยกแยะไว้นะท่านบอกว่าการปฏิบัตินะ ม, มีแบบสมาธินําปัญญาแบบปัญญานําสมาธิแบบสมาธิและปัญญาควบกันไป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 เราไม่ใช่เลือกตามอาจารย์เลยต้องเลือกตามตัวเราเองตามนิสัยเราเพราะคุณนะ่ะเป็นพวกคิดมากคุณดูจิตไปเลยเพราะคุณทำสมาธิก็ไม่หลงง่ายๆหรอกอวันนี้ได้แค่นี้นะวันนี้ได้แค่นี้จะเชิญโยมกลับบ้านหลวงพ่อขอคุยกับพระนะ